รัมเพลสตีลสกินกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอาณาจักรเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่ขอบป่าอันมืดมนตำนานเล่าว่ามีตัวตนของสิ่งชั่วร้ายในป่าแต่ประชาชนในอนาณาจักรก็อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้การปกครองของราชาหนุ่มที่นั่นมีช่างโม่แ ป, แป้งยากจนกับลูกสาวของเขาอาศัยอยู่ เธอเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์มากคนโมแป้งนั้นพูดเก่งเขาชอบพูดอะไรเกินจริงเสมอเขาหลอกคนหลายคนมาหลายครั้งประชาชนเลยเอาเรื่องของคนโมแป้งไปฟ้องพระราชาราชาตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนให้เขาและบอกให้เขามาเข้าเฝ้าท่านราชาขอบคุณที่ให้เกียรติหม่อมฉันเข้าเฝ้าเพราะท่านไม่รู้จักในตัวผม ผมเลยอยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักผมกับลูกสาวเอาเลยเอาเลยผมมีลูกสาวที่เป็นหญิงที่สวยที่สุดในโลกและยิ่งไปกว่านั้นเธอสามารถดึงทองออกมาจากเส้นฟางได้นั่นทำให้ฉันพอใจมากถ้าลูกสาวเจ้าเยี่ยมอย่างที่เจ้าพูดพานางมาที่วังของข้าข้าจะให้นางพิสูจน์โอบได้ได้ได้ครับท่านราชา เข ก, กลับบ้านไปแล้วและไปบอกเรื่องนั้นให้ลูกสาวของเขาฟังบอกแล้วยังไงคะพ่ออย่าไปโกหกใครตอนนี้พ่อติดกับดักตัวเองแล้วนะคะพ่อพูดไม่ออกแล้ะระอายใจทั้งคู่ไปที่วังเพื่อที่จะเจอกับหายนะที่กําลังจะตามมายินดีต้อนรับช่างโมแป้งและยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงสวย สวยเหมือนที่พ่อบอกเลยนะหวังว่าเธอจะเอาทองออกมาจากเส้นฟางได้ไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มกันเลยราชาพานางไปที่ห้องที่เต็มไปด้วยฟางและให้เครื่องปั่นได้กับนางทำงานได้แล้วถ้าตอนเช้าเจ้ายังปั่นทองออกจากฟางไม่ได้เจ้ากับพ่อของเจ้าจะต้องตาย เฝ้ายามไว้อย่าให้นางหนีไปไหนได้ลูกสาวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนางเครียดมากจนร้องไห้ทันใดนั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นและมีชายตัวเล็กๆหน้าตาน่ากลัวปรากฏกายขึ้นมาสวัสดีร้องไห้ทำไมเหรอฉัน จะต้องปั่นทองออกจากได้และฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะ่าแล้วจะให้อะไรกับฉันถ้าฉันทำให้เธอได้เออฉันให้สร้อยกับเธอชายตัวเล็กเอาสร้อยไปและนั่งที่เครื่องปั่นได้เขาหมุนหมุนหมุนอยู่สามรอบและมันก็เต็มไปด้วยทองเขาปั่นไปเรื่อยๆ หมุนอีกสามรอบและมันก็เต็มไปด้วยทองเขาปั่นไปเรื่อยๆจนถึงเช้าในที่สุดฟางทั้งหมดก็ถูกปั่นจนเป็นทองเต็มกระกาขอบคุณมากนะคะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าคุณคือใครมีชื่อว่าอะไร เขาเหิรเละและหายตัวไปในทันทีเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นราชาเข้ามาเขาเห็นทองและรู้สึกทึ่งมากโอ้พระเจ้าข้าคิดว่าพ่อของเจ้าจะโมเซะอีกเอาละเจ้าไปพักผ่อนได้แล้วข้าจะไปเจอเจ้าตอนเย็นนางคิดว่าราชาจะให้รางวัลนางและให้นางกลับบ้านอย่างสงบ แต่ในตอนเย็นราชาพานางไปที่อีกห้องที่เต็มไปด้วยฟางที่ใหญ่กว่าห้องแรกมากกว่าเดิมถ้าเจ้าเห็นแก่ชีวิตตัวเองกับพ่อเจ้าเจ้าจะต้องปันทุกอย่างให้เป็นท้องภายในคืนนี้นางไม่รู้จะทำยังไงนางจึงร้องให้ไม่นานชายคนนั้นก็ปรากฏตัวเลิกร้องได้แล้ว ถ้าฉันปั่นให้เจ้าทั้งหมดเจ้าจะให้อะไรกับข้าล่ะนางคิดสักพักและเห็นแหวนทองที่อยู่บนมือนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่มีค่าของนางเอาแหวนไปจากนิ้วข้าชายตัวเล็กเอาแหวนไปแล้วจึงเริ่มปั่นฟางในทันที วันถัดไปฝางทั้งหมดก็กลายเป็นทองที่ทอประกายขอบคุณมากนะคะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าคุณคือใครมีชื่อว่าอะไรนนเขาหัวยราะและหายตัวไปอีกครั้งราชาเข้ามาเขารู้สึกทึ่งและดูดีใจมากโอ้พระเจ้าเธอคือสมบัติของอาณาจักรเราข้าไม่รู้จะชมเจ้ายังไงเจ้าไปนอนได้แล้ว ไวาเย็นนี้เจอกันอีกเมื่อพระอาทิตตกราชาไปหาเธอและอีกครั้งที่เขาพานางไปที่ห้องที่ใหญ่กวห้องเดิมอีกเจ้าต้องปั่นในคืนเดียวและถ้าเจ้าทำได้เจ้าจะได้เป็นชายาของข้าและข้าหาคนที่ดีกว่าเจ้าไม่ได้แล้วในโลกนี้และทันทีที่หญิงสาวถูกทิ้งไว้คนเดียวชายตัวเล็กก็ปรากฏตัวเป็นครั้งที่สาม เจ้าจะให้อะไรข้าล่ะถ้าครั้งนี้ข้าปันอะไรให้เจ้าอีกข้าไม่มีอะไรเหลือแล้วโอเคโอเคอย่าร้องเจ้าจะต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะให้ลูกคนแรกของเจ้ากับข้าหลังจากเจ้าเป็นราชินีนางไม่มีทางเลือกจึงตกลงสัญญาว่าจะไม่ลืมคําพูดตัวเองนะสัญญาค่ะข้าสัญญา ชายคนนั้นปั่นทั้งคืนเร็วกว่าในทุกๆครั้งทุกอย่างกลายเป็นทองทันทีที่เขาทำงานเสร็จเขาก็หัวเราะและหายตัวไปในคันทีตอนเช้าราชาก็พบว่างานทั้งหมดเสร็จสิ้นตามคำขอของเขาโอๆ ท, ที่รักเจ้าพิสูจน์ตัวเองแล้วพรุ่งนี้ข้าจะแต่งงานกับเจ้า ลูกสาวคนสวยของช่างโมกลายเป็นราชินีและหลายปีถัดไปนางก็ให้กำเนิดลูกนางลืมคำสัญญากับชายตัวเล็ดไปวันหนึ่งตอนนางอยู่คนเดียวในห้องทันใดนั้นชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาเออเจ้าลืมคำสัญญาแล้วหรอราชินีค้า ข้ายังจำได้แต่ข้ารักลูกของข้ามากๆค่ะ ข, ข้าขออะไรเจ้าหน่อยได้ไห ม, มข้าเป็นราชินีแล้วเจ้าจะขออะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการแทนที่จะเป็นลูกของข้าข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการได้หมดไม่ข้าอยากจะได้อะไรที่มีชีวิตมากกว่าอะไรทั้งมวลบนโลกน <c oughs> ี้โอไม่นะ ขขอแล้วนะได้ปลอดอย่าทำอะไรลูกข้าเลยได้ปลอดเขาสงสารนางเขาเลยตั้งเงื่อนไขให้นางให้นางเดาชื่อเขาข้าจะให้เวลาเจ้าสามวันถ้าเจ้ายังเดาชื่อข้าไม่ได้เจ้าจะต้องให้ลูกเจ้ากับข้าขอบคุณมากนะคะ ข้าจะหาชื่อของเจ้าให้ได้ต้องหาได้นะโอเคพรุ่งนี้ข้าจะกลับมาราชินีใช้เวลาทั้งคืนคิดถึงทุกชื่อบนโลกใบนี้ในวันถัดไปนางส่งคนส่งสารไปถามชื่อทุกชื่อที่มีในราชอาณาจักร แล้วชายคนนั้นก็กลับมาว่าอย่างไงเจ้าคิดชื่อข้าได้หรือยังใช่ชื่อเจ้าแคสเปอร์ใช่ไหมง่าฮ่าไม่ใช่ชื่อข้าถ้าอย่างนั้นมิวควายใช่ไหมโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่เลยเบาเทอร์ซอไม่ฮฮ ราชินีพูดทุกชื่อที่นางรู้จักพูดทุกชื่อที่คนสงสารหามาให้แต่หลังจากแต่ละชื่อ<น>ชายคนนั้นก็หัวร้อนนางและพูดว่าไม่พอแล้วล่ะนะข้าจะกลับมาพรุ่งนี้เตรียมตัวเอาไว้ด้วยละ่ะในวันที่สองราชินีส่งคนสงสารไปเมืองเพื่อนบ้านเพื่อหาชื่อที่แปลกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทายคนนั้นกลับมาในตอนเย็นราชินีพร้อมมากไม่แน่เจ้าอาจจะชื่อโรสวิฟต์นั่นไม่ใช่ชื่อของค่าชิปชเช็งไม่ใช่เลยสปินเดิลเช็งไม่าราชินีพูดทุกชื่อแต่หลังจากแต่ละชื่อเขาก็ตอบว่าไม่ใช่ พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะและฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเจ้าจะช่วยลูกเจ้าได้ไหมราชินีรู้สึกไม่สบายใจในวันที่สนางได้ยินอะไรที่ผิดปกติจากคนส่งสารหม่อมฉันหาชื่อใหม่ไม่ได้แล้วแต่ตอนที่หม่อมฉันเดินทางผ่านป่าหม่อมฉันได้ไปที่เนินสูงและใกล้ๆก็มีบ้านเล็กๆตรงหน้าบ้านนั้นก็มีกองไฟ ตรงหน้ากองไฟมีชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ดูตลกมากและเขากระโดดขาเดียวแล้วร้องเพลงว่าวันนี้ฉันอบพรุ่งนี้ฉันบ่มวันหลังจากนั้นลูกของราชินี้จะมาเป็นของข้าและว้าวฉันดีใจมากเลยที่ไม่มีใครรู้ว่าข้าชื่อราเพลียวซีลสกินฮ่าฮาอนั่นเหละข้าโล่งใจมากเลยตอนนี้นะ ราชินีดึงสร้อยของนางออกมาและให้กับคนส่งสารไปหลังจากนั้นชายคนนั้นก็กลับมาเอาละราชินีบอกมาว่าข้าชื่ออะไรเจ้าช่อแจ๊บใช่ไหมไม่ฮ่าฮาฮาเจ้าชื่อแฮร์รี่ใช่ไหมอืมไม่ฮ่าฮาถ้าอย่างนั้นไม่แน่เจ้าก็ชื่อรัมเพลสตีลสกินอ้อ ไอ้ปีศาจนั้นบอกเจ้าปีศาจบอกชื่อเจ้าใช่ไหมเขาโกรธจนกระทือพื้นแรงมากจนขาขว า, าจำลงไปถึงเขา่าและเขาก็พยายามงัดขาซ้ายของเขาอย่างแรงมากทั้งสองมือเพราะโกรธจนขาตัวเองขาดไปและนั่นคือจุดจบของรัมเพลสติลสกินและราชินีก็อยู่กับลูกและราชาอย่างมีความสุขตลอดไป